บ้าดการคลีค่คลายคดีไม่มีแพชชนะไม่มีหนึ่งหรือสองเพราะว่าความจริงจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นยังไงล่ะ